ครั้นสวดสอนซ้อมแล้วท่านกลับเข้ามาสวดขอเรียกอุปสัมพทาเปรขะเข้ามาอุปสัมพทาเปรขะพึงเข้ามาในสังฆสันนิบาตกราบลงตรงหน้าพระอุปัชฌายะสามหนแล้วนั่งคุกเข่าประนมมือเปล่งวาจาขออุปสมบทสืบต่อไปว่าดังนี้สังคพันเตอุปสัมปททางยาจามิอุลลุปะตุมังพันเต สังโคอะนุกัมป erm ังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิอุนลุมปะตุมังพันเตสังโคอะนุกัมปังอุปาทายะตตะติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปะทังยาจามิอุนลุมปะตุมังพันเตสังโคอะนุกัมปังอุปาทายะ อันดับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพระอุปชายยะและพระผู้สวดจะได้ทำการสวดยติจตุถกรรมสืบต่อไปเป็นอันว่าเสร็จพิธีเป็นพระพิสุในบรวรพระพุทธศาสนาและขอให้ท่านจงมีความขยันมันเพียรในการศึกษาเล่าเรียนท่องบนภาวนาสืบต่อไป